เปิดหนังสือไปหน้าร้อยเจ็ดสิบห้าภาคแปดบทอนมูทนากาถายะทาวริวะฮาปูราปาริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติ ท่านที่ท่านอุทิดให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิทธิตั้งปฏิตั้งทุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเวาวะสมิจชะตูงจงสำเร็จโดยชพาพัน สาเพบุเรนตุสังกับปางขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิทิโยวิวัฒจันตุมความจันไรทั้งปวงจงบำราดไป สัพพโรคโควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโออันตรายยามีแก่ท่านสุขิที่ขายุโกภวาทท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาศิริสนิจังพุทธาปัญญานุต ชาตาโรธรมมวัฒทีทยุนโนสุขังภรางบอนสีปการคืออายุวันนสุขาพรางย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ครับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนินิญพวัดดุสั พ, พมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคะตุสภเทวตังขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาบาพุทธานุภาเวนันด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาบาธรรมานุภาเวนันด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาบาสังฆานุภาเวนันด้วยอานุภาพแห่งพระสง์ สาธาสดิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแต่ท่านทุกเมื่อเดินอายุโทพลโทธิโรมผู้มีปัญญายอมให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภานนทโทให้วันนะให้ปฏิพาน สุขัสสะทัตตาเมธาวีภูมิปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิขจติยมได้ประสบสุขอายุงทัตตวะภรังวันังสุขัญจะปฏิภาณโทบุ้คลผู้ให้อายุภรรวันณาสุขะและปฏิภาณ ทีขายุยาสวะโหติยาไยาทุปปะปัชติทีจะไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้สัพพโรควินิมุตโต ท, ท่านจงเป็นผู้พ้นจากโรคทั้งปวง สัพพสันตป า, าวันชิตโตจงวางเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงสัพพเวระมัติกันโตจงก้าวล่วงเสียซึ่งเว้นทั้งปวงนิพุโตจัตัวอังภาวามจงถึงความดับไปซึ่งทุกทั้งปวงแห่งท่านทั้งหลายสัจเจนะจาริเรนะจาง ด, าจาด้วยสัจจะด้วยศีล ขันติเมตตาพระเรณะจาด้วยพลังของขันติและเมตตาเตสังพุทธานังอนุรักษันตุเตมพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงรักษาท่านทุกเมื่ออารมคยินนะจาสุขเณนะจารฮุนตุเตมด้วยสภาวะหาโรคไม่ได้ก็ดี ด้วยความสุขก็ดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทินโสอัตตทโทสุขิโตท่านชายจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วสิ่งความสุขวิรุโอพุทธศาสนาจะริในพระพุทธศาสนา อโรโคสุขิโตโหหิไม่มีโรคถึงแล้วสิ่งความสุขสาฮาสาเภิยติภีพร้อมกับด้วยญาตทั้งหลายสารธรธาสุขิตานท่านหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วสิ่งความสุข วิรุณหาพุทธศาสนาจะเริญนในพระพุทธศาสนาอารคาสุขิตาโหหิไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยติพีพร้อมกับด้วยญาตทั้งหลาย เตอธรธาสุกิตาท่านชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์ันได้แล้วถึงแล้วสิ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอารคาสุกิตาโหธาไม่มีโรคถึงแล้วสิ่งความสุข สหาสัพเพหิยติพ well ีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิด